ในโอกาสต่อ น, นี้ไปก็นับว่าเป็นเวลาบุญในชีวิตคือมีโอกาสได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการได้ฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากิจช่างสัต์ธรรมมัสวนังการได้ฟังธรรมเป็นของยาก เพราะว่าสัตตบรรุษผู้รู้ไม่มีโดยทั่วไปอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งผู้ที่จะมีศรัทธามาฟังธรรมก็เป็นส่วนน้อยการฟังพระธรรมเทศนาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเหตุให้เกิดสติปัญญาที่สว่าง เห็นทางที่ควรดาเนินและทางที่ควรละจะทำให้ชีวิตมีสาระมีประโยชน์รู้แจ้งตามความเป็นจริงด้วยเหตุด้วยผลพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งและเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอากาลิโกคือไม่ประกอบด้วยการ หมายความว่าผู้ใดปฏิบัติธรรม ร, รมก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นไม่มีเช้าไม่มีสายไม่มีเย็นไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนจะปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ ร, รมก็เกิดแก่ผู้นั้นบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็เกิดขึ้นกับผู้นั้น ไม่เหมือนผลไม้เช่นมะม่วงเป็นตน้นมันจะเกิดบางฤดูกาลเท่านั้นฤดูที่ไม่ใช่ของเขาเขาก็ไม่ออกตอบออกผลแต่พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกตอบออกผลทุกเมื่อเมื่อได้ฟังธรรมและปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงเป็นโอปัญิโกควรศึกษาให้รู้จักเข้าใจและน้อมนาเข้ามาในตัวเรา คำว่าน้อมนำาข้ามาตัวเราคือหมายความเราอ่อนน้อมรับและปฏิบัติตามมิใช่ว่าไปเปลี่ยนแปลงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงจะปฏิบัติตามมีศรัทธามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ที่ทรงวางหลักไว้อย่างไรเพื่อน้อมกายวาจาใจของตนเองให้ประกอบไปด้วยธรรมชีวิต สตรีระร่างกายของเราเมื่อได้ประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็จะเป็นการสะสมไว้ทึ่คุณงามความดีคือบุญบุญย่อมอานวยให้สรรพัตทั้งหลายประสบผลแห่งความสำเร็จบุญย่อมอานวยให้สัตว์ทั้งหลายให้ประสบผลคือความสุขบุญย่อมอานวยให้ผลกับสรรทั้งหลาย ให้ประสบผลคือความเจริญบุญย่อมเป็นที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายโดยทั่วไปที่อบอุ่นไม่ให้เกิดความเบียดเบียนและร้อนใจแต่ประการใดเพราะฉะนั้นการสร้างบุญให้เกิดมีขึ้นด้วยวิธีฟังธรรมวิธีศึกษาธรรมวิธีปฏิบัติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเป็นทางบุญให้เกิดขึ้นกับจิตใจของตนอีกประการหนึ่ง ท่านกล่าวเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราควรอบรมใจของเราให้อยู่ในธรรมที่ดีเพราะใจเป็นหัวหน้าของกายและวาจาใจเป็นใหญ่ของกายและวาจาใจเป็นต้นเหตุแห่งการทำการพูดการคิดทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงต้องระวังแม่ใจของเราเองจึงควรอบรมไว้ให้หนักแน่นให้มีให้มากซึ่งคุณงามความดีคือธรรมตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมใจของเราให้เกิดความเพื่องอบในวันนี้ก็จะขอย้อนนำพุทธภาษิต ท, ที่เคยสอนมาแล้วมาย้ำ ให้เกิดความมั่นใจด้วยและก็สงเคราะห์ผู้มาใหม่เพื่อจะได้รู้พื้นฐานในเบื้องต้นเพราะผู้ที่มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยศรัทธานี้มาต่างวรระกันได้ฟังธรรมมาในเบื้องต้นแล้วบ้างยังไม่ได้ฟังบ้างแต่ผู้มาใหม่ทางสมัตินี้ก็เมตตาสงเคราะห์ย้อนหลังในการคำสอนนั้นเพื่อให้รู้พื้นฐานเนี่ยความเป็นไป ในการปฏิบัติธรรมในทางกิจภาวนาดังพุทธภาสิตที่ทรงจัดไว้เป็นหลักว่าสมาธิงพิขเวพาเวทะยาธาภูตังประชานาติแปลว่าดูก่อนพิทุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเพราะเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นเหตุให้รู้ตามฝามันจริงสมาธิ แปลว่าความที่มีใจตั้งมั่นการนี่มีใจตั้งมั่นในที่นี้หมายความว่ามีอารมณ์อันเดียวถ้าเราจะทำอะไรพิจารณาสิ่งนั้นให้รอบคอบรู้เหตุรู้ผลแล้วก็ทำสิ่งนั้นด้วยความมั่นใจถ้าเราจะภาวนาในบทกรรมฐานแบบใดเพราะกรรมฐานมีหลายอย่างกันกรรมฐานที่ ทำให้กรรมาฐานที่เป็นอารมณ์โดยนึกถึงพระพุทธเจ้าก็มีนึกถึงพระธรรมก็มีนึกถึงพระสงฆ์ก็มีตลอดจนนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายก็มีมีทั้งสิน้นเราจะตั้งอารมณ์ของเราพิจารณาภาวนาบทไหนจึงจะเหมาะสมกับความเป็นไปของเราโดยทั่วไปก็จะน้อมนึก ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพุโทโธนี้อย่างหนึ่งเพราะว่าพระผู้ด้เจ้าเป็นผู้แต่จะรู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองก่อนแล้วจึงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามเป็นพระองค์แรกและความรู้ดีรู้ชอบนั้นพระองค์ไม่ได้ไปศึกษามาจากสมักใดทรงภาคเพียรพยายามดังที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า พระองค์ได้เสด็จออกบรรพชาหรือเรียกว่าเนคขมมะเป็นเวลาหกปีครั้งแรกๆได้พยายามศึกษาตามพราหมคือทุกรกริกิยาในแก่อัตตกิลมะถาวนโยกและการมาจากติขันนิโยกาโนโยทั้งสองไม่ได้ผลคือทำไปแล้วเสียเวลาและเหนื่อยเปล่าไม่ได้ผลอะไร ภายหลังพระองค์ทรงลำพึงถึงเมาาื่อข่าวจีนเป็นพระราชกุ ม, มารที่ได้นึกถึงอารมณ์คือการหายใจเขาออกจึงใช้อนาปานัสติมาเป็นอารมณ์คือหายใจเข้าลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นี่ก็คือกรรมฐานโดยไม่ต้องเอาสิ่งเอื่นของอื่นมาเป็น ที่ตั้งแห่งจุดหมายอันเป็นเป้าหมายของใจแต่ประการใดนำเอาท่าทัท้งสี่ในท่าใดท่าหนึ่งขึ้นมาพิจารณาและท่าที่เราควรกับการพิจารณาในท่านั้นพระองค์ก็เดยเคยปฏิบัติมาแล้วดังจนได้นามว่าอาณาปานัตติตามระลึกถึงลมหายใจเขาออก คือหมายความว่าผูกใจไว้ในอารมณ์อันเดียวของเรื่องลมเท่านั้นถึงแม่ลมจะหายใจเข้าตามรู้ลมหายใจออกก็ตามรู้แต่เวลาภาวนาครั้งแรกเข้าให้หายใจออกก่อนปัสสะหายใจเข้าอัตสาสะให้ตามรู้ทั้งหายใจออกแล้วหายใจเข้า หายใจออกก่อนคือหมายความว่าปลดปล่อยอารมณ์ต่างๆน า, นานาประการที่คิดมาตลอดวันหรือคิดมาแต่ในปางก่อนให้ออกไปหมดไปแล้วจึงหายใจเข้าหมายความว่าปัจจุบันธรรมที่บริสุทธิ์ได้แก่การกำหนดรู้ในขณะลมหายใจเข้าและออกนั่นเอง เพียงแต่ว่าตั้งสติดูลมหายใจเข้าออกด้วยความมีสติอย่าให้พลั้งอย่าให้พลาดอย่าให้เผลอเท่านี้ก็ชื่อว่าได้เจริญสมาธิแต่ยังไม่สงบเป็นแต่เพียงรเริ่มเท่านั้นหรือผู้ที่ถนัดทางพุทโธเวลาหายใจเข้าก็เกี่ยวเหมือนกัน หายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทนี่อย่างนี้สองกรรมฐานมารวมกันพุทธานุสติด้วยอนาปานสติด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ลองทดลองรู้ว่าอย่างไหนง่ายอย่างไหนง่ายและจะสะดวกแก่การความสงบก็ใช้อย่างนั้นเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งใช้แล้วผลทสุดท้ายเหมือนกันหมดคือให้ใจสงบ เราจะภาวนาบทไหนก็ตามก็มุ่งถึงที่ถุกคือใจสงบเหมือนกับว่าเราจะไปที่ใดที่หนึ่งจะเดินไปทางไหนเป็นต้นขอให้ถึงที่ถุกตามที่เราประสงค์ก็เหมืนกันการกำหัดจิตให้สงบเป็นสมาธิก็เหมือนกันจะบทใดหมดหนึ่งก็ได้แต่แท้ที่จริงแล้วทุกคนที่จะปฏิบัติสมาธินั้น ก็มีหลักในการสมาธิเป็นประจำไว้เป็นหลักที่สำคัญถ้าบทใดบทหนึ่งพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้หรือการพิจารณาเกสาโลมานะขาสันตาก็ได้ไว้เป็นหลักของเราสักบทหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดความมั่นใจแต่ในเรื่องกรรมฐานเราต้องศึกษาหลายอย่างเพราะว่า กิเลสและอารมณ์ของเรามีหลายอย่างสิ่งที่มาเป็นค่าศึกกับความสงบก็คือนิวรณ์มีอยู่ห้าประการความพอใจรักใคร่ในรูปเป็นต้นเรียกว่ากามฉันความพยาบาทปองร้ายเรียกว่าพยาบาทหรือความโกรธโพสะความหยิตหดหูและ เ, เครอลิ้มเรียกว่าถีนมิทะความจิตพุ่งสร้างและล้ำคาญเรียกว่าอุทะจักกุกุ จ, จะ ความมีจิตลังเลสงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉาทั้งห้าประการนี้เพียงแต่ประการใดประการหนึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราจิตของเราย่อมหยุดในการเดินเข้าสู่ควาสมสงบทันทีสมมติว่าเรากำลังกาหนดรู้ลมห า, าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าด้วยความมีสติลมหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้ ลมหายใจออกสั้นเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจเข้าออกประณีตเบาบางลงก็รู้ลมหายใจเข้าออกนั้นยังหนักแน่นหรือยังหยาบ ก, ก็รู้เหล่านี้เป็นตน้นความกรหมดรู้ก็คือมีสติตามรู้ลมหายใจจะไปทางไหนมีสติตามรู้ลมหายใจจะเข้าก็ตามรู้ ลมหายใจจะออกก็าตามรู้ที่ท่านเปรียบมันเหมือนกับแม่เลี้ยงเหมือนกับผู้เลี้ยงเด็กจะเด็กจะทำอย่างไรกู ม, มาน้อย <c oughs> เด็กเด็กน้อยจะทำอย่างไรผู้เลี้ยงดูพี่เลี้ยงก็ต้องตามดูในทุกขณะของเด็กนั้นไม่ให้เผลอป้องกันเด็กนั้นไม่ล้มเพือจะมีอันตรายเป็นต้นฉันใดการกำหนด ภาวนาด้วยอนาปานทัตติตามดูลมหายใจเข้าตามดูลมหายใจออกไม่ใช่ตามดูอย่างเฉยเฉยจะเป็นยังไงก็ช่างไม่ใช่อย่างนั้นตามดูแล้วรู้ฮาลิกลงไปอีกว่าลมหายใจเข้ายาวหรือออกยาวเข้าสั้นหรือออกสั้นจ่ากนี้เป็นต้นและรู้ลงไปอีกว่าลมหายใจเข้านั้น ประนีตขึ้นหรือหยาบขึ้นลมหายใจออกประนีขึ้นหรือหยาบขึ้นถ้าเราในขณะใดลมหายใจเข้าออกนั้นประนีขึ้นเบาขึ้นอันจะเป็นเหตุให้รู้ว่าจิตของเราใกล้สงบและจิตของเราค่อยๆจะเกิดปิติและก็ค่อยมีความสุข เราก็รักษาอารมณ์นั้นไว้คือพยายามหายใจเข้าออกที่เบาๆการหายใจเข้าออกที่เบาๆให้เกิดความประนี ก, ก็จะใกล้กับความสงบและเมื่อหายใจต่อๆไปมีสติ ด, ดูความเบาและความสงบกับจิตนั้นลมหายใจทั้งหลายค่อยๆน้อยลงน้อยลงแล้วก็เหมือนกับหมดไปสติอยู่กับจิต นิ่งอยู่กับกิจลมหายใจไม่ต้องคำนึงถึงแล้วตอนนี้อีกขั้นหนึ่งถ่ายเทจากลมหายใจเข้าออกหยาบมาถ่ายเทลมมาถ่ายเทเข้าลมหายใจละเอียดจากลมหายใจละเอียดถ่ายเทเข้าลมหายใจที่เบาบางจากลมหายใจที่เบาบางมาถ่ายเทลมหายใจที่น้อยลงเหลือไม่มากพอรู้สึก หลกักายเทหายลมลมหายใจที่เบาบางน้อยมากนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นที่จิตทำให้เกิดความสงบ น, น้อยน้อยทำให้เกิดปิติน้อยน้อยเริ่มขึ้นและก็รู้ก็ตั้งใจกำหนดดูลมหายใจที่น้อยและปิตินั้นจนหายไปเหลือแต่ความสงบของจิตเึง่มีปิติและสุข ความสงบความมีพิติความมีสุขอยู่กับจิตเมื่อเป็นอาการเหล่านี้แล้วปล่อยวางลมหายใจเข้าไม่ต้องไปนึกถึงดูความสงบที่มีอยู่กับจิตไว้อย่างเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกรรมฐานใดๆก็ตามอยาภาวนาด้วยใดๆก็ตามในที่ถดถึงตรงนี้เหมือนกันหมดและเมื่อถึงตรงนี้แล้ว ดูความสงบของจิตนั้นไว้เพราะตัวจิตนี่เองที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในอำนาจของจิตจิตคิดดีก็ทำดีพูดดีจิตคิดชั่วก็ทำชั่วพูชั่วเมื่อเราปรารถนาในความดีเราจิงต้องอบรมจิตของเราให้ดีเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกหวังใจลูกได้ดี ก็ต้องอบรมลูกของเราให้ได้ใ ห, ให้ให้เป็นคนดีฉันใดการอบรมจิตก็เหมือนกันจิตเป็นพื้นฐานจิตเป็นตัวชีวิตที่สาคัญของบุคคลเพราะเป็นตัวคิดเรื่องราวต่างๆคือปรุงแต่งถ้าหากว่าคิดไม่ดีแล้วก็จะปรุงแต่งไปทางอคุศตลคือทางไม่ดีไม่งานางต่างๆไปทางความชั่วต่างๆเป็นต้น เพราะฉะนั้นเราอยากให้เราเป็นคนดีเราอยากให้เรามีสุคติทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าเราอยากรู้ธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราประสงค์ที่จะให้จิตของเราตัวของเราถึงธรรมที่แท้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องอบรมจิตด้วยการเจริญสมถะคือสมาธิภาวนาในบทใดบทหนึ่งก็ได้ที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เมื่อจิตมีปิติและสุขสงบอยู่กับจิตของเราแล้วสติทิ้งไม่ได้ในขณะเริ่มต้นตั้งแต่ลมหายใจเขาออกทั้งยาวหยาบประนีตจนหมดไปลมหายใจหมดไปปล่อยให้หมดไปสติต้องมีไว้สติ้อมอยู่กับจิตจิตจะเกิดความสงบก็อยู่กับจิต มีสติมีมีปิติจิตก็ต้องอยู่สติก็ต้องอยู่กับปิติอยู่กับจิตนั้นตลอดไปปิติจุดปิติสงบและสติสุขที่อยู่ได้รวมกับปิตนี้ต้องอยู่ด้วยการโดยมีสติเป็นใหญ่คือหมายความว่าเป็นตัวระวังใหญ่พลั้งใหญ่เผลอถ้าหากว่า ความสงบนั้นอยู่ได้ไม่นานก็เรียกว่าคณิกะสมาธิซึ่งได้กล่าวไว้บ่อยๆและฝึกฝนอบรมระวังให้มากขึ้นเพิ่มความระวังให้มีความไปอยู่นานยิ่งไปกว่านั้นก็เรียกว่าอุปจาระสมาธิและทําสมาธิที่เกิดอุปจาระนั้นให้ละเอียดลงไปอีกประนีตลงไปอีก จนเหมือนกับว่าจิตของเรานั้นมีแต่จิตดวงเดียวแท้ๆไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาปะปนด้วยเลยมีกำหนดรู้ไว้ครั้งใดสมาธิเกิดขึ้นกับจิตครั้งนั้นพึงมีสติกำหนดรักษาไว้ให้นานๆเพะพอวามสงบคือสมาธิจะเกิดขึ้นกับจิตนั้น ก็เป็นส่วนที่ยากอยู่น้อยเหลือเกินที่จะเกิดขึ้นให้ง่ายง่ายต้องฝึกฝนต้องอบรมบ่อยๆเหมือนกับผู้ที่ทำงานกา ก, กรรมเหนื่อยยากแม้จะได้ทรัพย์ถิ่นมาจากความเหนื่อยยากต้องรู้จักใช้ทรัพย์ถิ่นเหล่านั้นอย่าให้ทิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะหามาได้ยากเหลือเกินฉันใดความสงบของจิตเป็นอริยทรัพย์ ที่หามาได้อย่างยากและควรหาให้เกิดมีขึ้นทรัพย์ภายนอกเราหาไม่ยากแต่อริยทรัพย์ภายในต้องหาด้วยความพยันมั่นเพียรอบรมจิตอันประนีตครั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วระวังดูแลไว้อย่าให้พลั้งเผลออบรมไว้นานๆ <c oughs> ในขณะที่จิตถูกอบรมให้อยู่นิ่งๆเฉยๆนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่ว่าจิตนิ่งๆิ่งดังที่เขาพูดกันคนที่ไม่รู้ว่านั่งหลับหูหลับตาไม่ได้ประโยชน์อะไรเหล่านี้ไปตัวนัไม่ใช่นั่งหลับหูก็เพื่อเพื่อดับกิเลส ท, ทางหูนั่งหลับตาก็เพื่อดับกิเลส ท, ทางตานั่งสงบใจก็เพื่อดับกิเลส ท, ทางใจเขาไม่รู้เขาจึงไม่รู้ว่าการนั่งนิ่งๆนั้นมีประโยชน์อย่างไรแต่ที่จริงกิเลสถูกดับกิเลสถูกชารอบ พ่เดีถูกขัดเกลาให้ออกไปจากจิตให้ถึงขึ้นฟา้ามพองแผ้วและเป็นตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจิตเมื่อได้สงบยิ่งได้ทำนานมากเพียงใดจะเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่เด็กวัยุดตป้นอยู่ของชีวิตกำลังศึกษาเล่าเรียนศินลปะวิทยาอยู่ในโรงเรียนอาจารย์ใด ถ้าหากว่าจิตของเราเป็นผู้ที่มีจิตสงบจะได้รับความรู้จากครูอาจารย์นั้นอย่างสมบูรณ์และจะทำให้เรามีความรู้และเมื่อเรามีความรู้เราก็ฉลาดนี่เป็นผลต่อต่อต่อกันมาทางนี้สาหรับผู้ที่ประกอบกิจการงานที่มีจิตใจผ่องแพ้วก็จะมีปัญญาพิจารณากิจการงานนั้นควรทำอย่างไร จึงจะง่ายจึงจะเจริญยิ่งขึ้นเหล่านี้เป็นต้นจิต ท, ที่มีความสงบแล้วมักจะเกิดปัญญาขึ้นง่ายฉเฉลียวฉลาดขึ้นง่ายว่องไวขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นการทาความสงบทางจิตจึงเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรมอันหนึ่งถ้าว่าเป็นทางธรรมโดยแท้จิต ท, ที่ส ง, งบแล้วก็จะเกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงจนเกิดปัญญา เช่นพิจารณาว่าตัวของเรานี้แยกขยายออกไปแล้วมีอยห้ากองเขาเรียกว่าขันคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนแต่ละขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปในแก่สตรีรละร่างกายที่ประกอบพิธาสีดินน้ำไฟลมเวทนา ในแก่อารมณ์สุขเรียกว่าสุขคเวชนาในยามทุกข์เรียกว่าทุกขเวชนาอยู่เป็น ก, นกลางเรียกว่าอาทุกขมาสุขเวชนาสัญญาแปลว่าความจําได้หมายรู้จํารูปได้จําเสียงได้จํากลิ่นได้จํารสได้จำสัมผัสได้จําอารมณ์ได้ความจําต่างๆได้ชื่อว่าเป็นตัวเขาสัญญา แม่เราเคยรู้จักคนรู้จักคุ้นเคยกันยังไม่เห็นตัวแต่ได้ยินเสียงเขาจาได้โอ้เสียงนี้คนนั้นคนนี้หรือเห็นคนนั้นมาตั้งแต่ไกล ย, ยังไม่ถนัดแต่เขาจําได้ลักษณะนี้จะเป็นคนนั้นคนนี้นี่คือล้วนแต่เป็นเรื่องของสัญญาทั้งสิน้น <c oughs> ส่วนทั้งขานทั้งขานนี้หมายว่าว่าทั้งขานในขานห้าความนึกคิดปรุงแต่งคือในคิดสิ่งที่ดี เป็นสังขารส่วนกุศลการนึกคิดในต่วนที่ชั่วเรียกว่าสังขารส่วนอกุศลสังขารทั้งส่วนกุศลและอนุอกุศลปรุงแต่งทั้งนั้นเวลาคิดถึงความดีก็ดีใจก็คิดพิจารณาไปมากมายหลายอย่างหลายประการ <c oughs> สมมติว่า <c oughs> เพื่อนชวนไปเที่ยว เราก็ชอบใจที่เพื่อนชวนนั้นเราก็จะไปจิตปรุงแต่งเองว่าไปกับเพื่อนแล้วจะสนุกอย่างนั้นไปเที่ยวอย่างนั้นอะไรจะอะไต่างๆนานาประการจิตเอามาจากไห น, นไม่รู้คิดมากมายแต่เพื่อความสนุกเรนั้นนั่นคือใครคิด น, น, นั่นเนี่ยจิตจิตตัวนั้นเขาเรียกว่าสังขารเอามาปรุงแต่งส่วนทางไม่ดีคือทางอกุศลเช่นว่ากันมังโกรธคนใดคนหนึ่งจิตไม่ดี เมื่อโกรธแล้วก็ ค, วคิดว่าคนเนี้ยทำไม่ดีกับเราหลายคนหลายครั้งหลายคราวอะไรต่างๆนานาประการและเป็นคนไม่ดีหลายสิ่งหลายประการในขณะที่จิตเป็นอกุศลนั้นจะมองคนอื่นเห็นแต่ไม่ดีทั้งนั้นเห็นตัวเองดีแต่เห็นคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นจึงคิดเดือดร้อนและอิจฉาริษยาหรือปรารถนาทาร้ายด้วยประการต่าง ๆ, ๆนี่คือสังขารทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสังขารคือ แยกเป็นส่วนกูศแ ล, ละอกูสลและก็เป็นกลางกลางเช่นว่ารู้เห็นอะไรยังตึกยังตรองยังไม่ได้แนว่วแนว่ลงไปว่าดีหรือไม่ดีกำลังเป็นกลางกลางอยู่่วนวิญญาณคือความรับรู้วิญญาณนั้นมีหกด้วยการคือตาเห็นรูปเรียกว่าจักขุวิญญาณหูฟังเสียงเรียกว่าโสตะวิญญาณ จมูกได้กลิ่นเรียกว่าคานวิญญาณลิ้นได้รับรสเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายถูกต้องโพธพภพเรียกว่ากายวิญญาณอารมณ์ที่เกิดกับใจเรียกว่ามาโนวิญญาณวิญญาณคือความรู้ความเกิดขึ้นจากทางทั้งหกแล้วก็ไปรวมลงที่ใจทั้งสิ้นทำทั้งหลายทั้งปวงเกิด จากเหตุมีผลมารวมกันมีชื่อเรียกต่างๆกันออกออกไปตามหลักการทำนั้นทำนั้ น, น, นขอยกตัวอย่างเช่นว่าตาเรียกว่าจักขูรูป ก, ก็เรียกว่ารูปะคือตาเห็นรูปเห็นแล้วไม่ได้เห็นเฉยเฉยเห็นแล้วเกิดความรู้สึกความรู้สึกนั้นเรียกว่าจักขูวิญญาณ รวมรูปรวมตารว ม, รวมจักรุรวมรูปะรวมวิญญาณทั้งสามประการนี้เขาเรียกว่าผัสสะต่อไปอีกขั้นหนึ่งและก็ผัสสะต่อไปขั้นนั้นแล้วผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์และเวทนานี้เป็นเหตุให้เกิดตัณหาคือ สิ่งที่ชอบใจเป็นกามาตัณหาสิ่งที่อยากได้เป็นภาวะตัณหาสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นวิภาวะตัณหาและตัณหาทั้งสามประการนี้เกิดขึ้นแล้วไม่หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งและไม่มีเต็นคือมีความทยานอยากอยู่เสมอเพะขึ้นชื่อว่าตัณหาแล้วมีแต่ความทยานอยาก ดังนั้นเมื่อตัณหาอันใดเกิดขึ้นก็ทยานอยากไปทางนั้นตัณหาในการมารมณ์เกิดขึ้นก็ทยานอยากได้การมรรมตัณหาในความอยากใหญ่เกิดขึ้นก็ยามความอยากใหญ่ทยานไปทางอยากใหญ่ตัณหาเกิดขึ้นเพราะความน้อยใจเพราะความเสียใจก็เป็นไปตามความน้อยใจเสียใจจนลืมตัวในบางครั้งถึงจะทําลายตัวเองก็มี ตันหาเป็นทุบ ป, ปูราไม่อิ่มไม่เต็มพร่องอยู่เสมอแม่น้ําน้ําแม่น้ําโขงก็ดีแม่น้ําสารวินก็ดีทางทวันตกแม่น้าําพญาเจ้าพญาตรงกลางแม่น้ํามืองสามประการนี้ในฤดูฝนฝนมากๆยังเ อ, อ่ยยังล้นยังเต็มเหลือประมาณแต่ตันหาเป็นทุบ ป, ปูราไม่เต็ม มีแล้วอย่างนี้จะเอาอีกอย่างนั้นไม่มีอิ่มไม่มีพอไม่มีหยุดไม่มียัง้งนีสัยของตั้นหาเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นตัวเยียนอยากมันมีตัวกระตุ้นให้เกิดเทียนอยากอยู่เสมอในจิตใจของตนนั่นเองผู้ที่ไม่ได้สดับตรับฟังไม่มีสติยับยัง้งและไม่รู้จักประมาณไม่มีปัญญาที่ฟามรอบค่อให้เกิดขึ้นตามจริงเป็นจริง หลงไปตามอารมณ์ของจิตที่นึกคิดไปในสิ่งนั้นๆปรุงแต่งเรื่อยไปคิดเรื่อยไปคราวดีก็เกิดความโลภโผนคราวไม่ดีก็เกิดความน้อยใจโดยประการต่างดังได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นสังขารความคิดอ่านจึงเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังอย่างยิ่งเพราะเป็นตัวจิตที่จะต้นเหตุของคิดเรื่องราวต่างๆคือดีไม่ดี กิจนั่นคือหลอกตัวเราเองเราเห็นสิ่งใดที่ไม่พอใจอีกฝ่ายหนึ่งที่เราเห็นเขาว่าไม่พอใจเขาไม่รู้เรื่องเลยแต่เราไปปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีเขาเสียมากมายอ่าเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจิตหรือตังขานี้จึงต้องระวังเพราะเป็นตัวนึกตัวคิดและถ้าหากว่าคิดไม่มีสติไม่มีความ ร, รอบคอบไม่มีปัญญาเข้าคำกับ ก็จะเกิดความพังพ า, งพาต่างๆน า, นานาประการอีกเป็นผลเสียอีกมากมายถ้ามีสติมีปัญญามีความรอบคอบแล้วก็จะมีผลดีอย่างมากมายตั้งแต่สายมัญชนจนถึงอริชนและพลจากความพุกทั้งปวงได้จึงรวมความว่ารูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณมีหน้าที่ดังในกล่าวมาแล้วคื อ, อ ตามีหน้าที่เห็นรูปหูมีหน้าที่ฟังเสียงจมูกมีหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นมีหน้าที่รับรสกายมีหน้าที่ถูกต้องสัมผัสและใจมีหน้าที่รู้อารมณ์แล้วเมื่อรู้แล้วก็เกิดต่อต่ อ, ตอขันไปเกิดเป็นวิญญาณเกิดเป็นภัจจัเกิดเป็นเวทนาแล้วก็เสเวยสุขบ้างทุกบ้างของเวทนานั้นให้รู้ตามความาจริงว่าต้นเหตุคือตาเห็นรูปแล้ว ต่อต่อไปมันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มันไวมากผู้ที่ไม่ศึกษาไม่รู้จักแยกจะไม่เข้าใจพอเมื่อได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วรู้จักแยกก็จะทำให้เกิดความเข้าใจความเข้าใจก็จะทำให้มีสติเหมือนกับนักล่าสัดเขากล่าวสอนเขาไว้ว่าในขณะไปในป่าพบงูจงอางซึ่งมันดุร้ายมาก มันชูคอและแผ่แม่เบี้ยเขาจะยิงมันเมื่อยิงมันถูกคอมันคอมันจะพับและม้วนตัวตายลงเขาต้องสอนว่าอย่าเพิ่งรีบเข้าไปดูอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้ๆมันเพราะงูนั้นมันจะมีคู่ถ้าตัวที่ตายนั้นเป็นตัวเมียเดี๋ยวตัวผู้มันจะตามมา จะถึงอันตรายแก่แล้วเราอย่าเพิ่งเข้าไปดูก่อนดูการเวลาก่อนให้รอบพอบถ้าไม่มีแน่นอนแล้วจึงค่อยเข้าไปถ้ามันมีอีกมาอีกก็สังหารมันเสียอีกเพื่อให้เราปลอดภัยนี่เป็นวิสัยของพรานนี่นำมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบดังได้กล่าวมาแล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีต่อต่อต่อๆกันอย่างนี้ จึง <c oughs> ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาขั้นตอนของพระเจ้าเราก็ไม่รู้เลยว่าพอตายรูปนี้มันอะไรเกิดขึ้นเราก็เนี้อว่าอ่านรูปคนนั่นคนนี้เป็นเพื่อนบางอะไรบ้างเป็นผู้ใหญ่บ้างเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่คิดอะไรเลยแต่มาแยกแล้วมันจะเป็น ส, น, สนส่วนส่วนส่วนส่วนและส่วนเหล่านี้เองเป็นจุดที่สำคัญว่าเพราะว่าสิ่งทั้งปวงที่เราพบและเห็นนี้ รูปเวทนาสัญญาทั้งขารวิญญาณห้ากองนี้ย่อแล้วเหลือสองกองคือกองรูปอย่างหนึ่งกองนามอย่างหนึ่งรูปคงเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปธรรมเวทนาสัญญาสัญญางขารวิญญาณเป็นนามธรรมารูปธรรมและนามธรรมมีคติอันนี้จางไม่เที่ยงทุกขังตั้งอยู่อย่างเดิมสม่ำเสมอไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงไป และอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งรูปธรรมและทั้งนามธรรมาเป็นอนิจออนาานจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตารีกันแล้วย่อว่าไตายักณคือมีลักษณะทั้งสามเหมือนกันว่าไม่เที่ยงเป็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นรูปรูปธรรมนามธรรมแท้ที่จริงคือตัวเรานี้เองตกอยู่ในอำนาจของไตายรักษ คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครรอดพ้นจากภาวะอันนี้ไปได้และไม่ต้องไปศึกษาหาทางที่จะพ้นไม่มีอะไรจะพ้นได้เพราะเป็นธรรมชาติของเขาควรศึกษาจะเพียงให้รู้จักและให้เข้าใจเมื่อรู้จักและเข้าใจแล้วอย่าประมาททำความดีให้เกิดมีขึ้นถ้าหากว่าความดีถึงสูงสุดแล้วต่อไปไม่ต้องมาเวียนไหวาตายเกิด มาเจ็บมาป่วยมาแก่มาตายอย่างนี้อีกแต่นี่หมายความว่าในภพหน้าถ้าพบนี้บําเพ็ญอริยามรรคหรือไตรทิขาให้บริบูรณ์จนจิตพ้นจากอาทวะกิเลสทั้งปวงความหมุนเวียนว่ายตายเกิดไม่ก็ไม่มีจิตของเราดวงหนึ่งเหมือนกับมาเล็ดมะม่วงมาเล็ดมะม่วงนั้นถ้าว่าภายใน ม, มันยังมีเม็ดที่มียางมีเชือ้อเมื่อเป็นแก่แล้ว มันก็จะงอกไปฝังแล้วก็จะเกิดเป็นต้นเป็นต้นแล้วก็มีลูกไปผูกอีกไม่มากมายคนเรามีจิตก็เหมือนกันถ้าว่าเมื่อเมื่อจะตายไปจิตยังมีกิเลสยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโมหะจิตนี้จะมีคติไปเกิดอีกไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่กรรมที่ทำมาตอนมีชีวิตอยู่ถ้าทำบุญทำความดี ก็เกิดในสู่ทุคติมนุสสมบัติสวรรคสมบัติและอาจถึงนิพพานสมบัติถ้าหากว่าทําชั่วไวมากก็ไปเกิดในที่ทุขติคือเปรตนรกอธุรกายเดริฉานเราอาจจะไม่เห็นคาว่าเปรตคำว่าผีเปรตผีอาุรกายผีนรกอาจจะไม่เห็นแต่เราเห็นเดราชานเดริชานทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นี่คือ ส่วนของอาบายภูมิผู้ทําไม่ดีไว้แล้วเท่านั้นไปเกิดในชาติอบายภูมิที่เราได้เห็นหน้าการรูนน้จักกันคนนั้นคนนี้เป็นชายเป็นหญิงเหล่านี้เป็นต้นมีสธาภาษาธ้ามาทำบุญหมายความว่าคนเหล่านี้มีความดีมาจาปางก่อนแล้วจึงมีสิทธิที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ยังได้สะสมความดีไว้อีกด้วยก็เป็นที่แน่วแน่ในคติต่อไปในวันหน้า ความเป็นไปในสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสรีระร่างกายของเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอย่าไปฝืนเลยว่าที่จะเที่ยงเป็นทุกขังคือไม่อยู่ที่เช่นว่าเป็นเด็กแล้วมาอยู่เป็นเด็กตลอดไปเป็นเด็กหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วมาอยู่ตลอดไปเป็นสาวเป็นสาวแล้วมาอยู่ตลอดไปเป็นคนกลางคนกลางคนแล้วม่อยู่ตลอดไป เป็นคนแก่แกแล้วไม่อยู่ในแก่ตลอดไปเป็นคนเท่าเป็นคนเท่าระยะยังไม่อยู่เท่าตลอดไปยังต้องตายตายแล้วนายทิุดก็บูดเน่าเสียหายไปนะเมือสําเหลืองหมดไปเหลือแต่กระดูกกระดูกต่อไปก็ผุพังหักเป็นสองท่อนสามท่อนแตกไปชิ้นน้อยชิ้นใหญ่จนเป็นผงหยับหยาผงละเอียดนายท่ดุดก็ลมพัดมาก็ปลิวไปตามลมบ้าง และฝนตกมาก็ซึมลงไปในแผ่นดินบ้างสูญสลายหายทิ้นไปตามสังขารในคติของฟามไม่ที่อย่างเป็นทุกเวนตาอย่างนี้ไม่มีผู้ใดที่จะเหลือลอให้ได้ตามฟามปาถนาได้อย่างหนึ่งอย่างใดเลยฟามเป็นไปในเรื่องชีวิตในเรื่องสังขารเป็นไปอย่างนี้เพราะผู้มีประภาคเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าประมาท ถ้ายังไม่สามารถจะตัดขาดจากกิเลสก็ให้อยู่ในสุกติคือเป็นมนุษย์จะได้มีโอกาสทำคฟามฟดีฟังพระสัตธรรมบุญและบาปรู้เรื่องถ้าหากว่าเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ตามจะฟังธรรมฟังดีฟังชั่วไม่รู้เรื่องมีแต่มนุษย์และเทวดาเท่านั้นที่จะรู้เรื่อง และสามารถที่จะทำให้ความดีเกิดขึ้นได้ด้วยสัตว์เหล่านั้นไม่รู้เรื่องเปลี่ยนแตกต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงยังต้องเรียน่หวตายเกิดก็ขอให้เกิดอยู่ในถูกติมนุษย์บ้างสวรรค์บ้างจะได้ฟังธรรมจะได้รู้เรื่องจะได้ทำความดีต่ อ, ต, อต่อไปจนฝ่าจะพ้นทุกข์ถ้าไม่ทำไปจกเป็นเดรัจฉานก็ไปถูที่ต่าแล้วก็ต้องตายขึ้นมาใหม่กว่าจะถึงมนุษย์ได้ ว่าเป็นเวลาอีกนานไม่แน่ว่าเมื่อไหรจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระพู้มีพระพากเจ้าที่สอ น, สอนไว้ั้าหมดมานี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจสำคัญฝ่าสิ่งทั้งปวงจึงต้องอบรมใจนี้เพื่อระวังพฤติกรรมของใจที่จะสั่งให้กายและวาจา ทำไม่ดีพูดไม่ดีถ้าใจดีใจสงบใจเป็นบุญใจเป็นกุศลแล้ว mm. ก็จะสั่งให้การทําการพูดไปทางที่ดี mm. เช่นท่านทั้งหลายมีศรัทธาภาษาธรเพราะใจดี mm. เมื่อ mm. เมื่อใจดีมีศรัทธาภาษาธรรและจึงปรารถนาบุญความเ็นทานบ้างรักษาศีลบ้างจเจริญจิตภาวนาดังขณะนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นพึง ศึกษาเรานี้ให้รู้ตามความจริงแล้วมันอบรมจิตใจของเราให้เกิดความสงบเพราะความสงบของจิตเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดทั้งทางโลกและทางธรรมจะเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐให้เกิดความพาสุกอย่างแท้จริงกับตัวของเราที่มั่นคงไม่มีสิ่งอื่นอื่นใดที่จะเป็นที่พึ่งที่จะเป็นที่ให้เกิดความพาสุกและมั่นใจเหมือนจิต ที่สงบดีแล้วเพราะเหตุ น, นั้นพระพูทจึงมีพระภาคเ จ, จ้าจึงตรัสว่าพิ่ถูกทั้งหลายเธอจงจเจริญสมาธิเถิดเพราะเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจะตั้งมั่นและรู้ตามความจริงรู้ตามความจริงก็คือรู้ตามว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงเกิดอะไรดังในกล่าวมาแล้วนั่รู้ความจริงและกิเลสเกิดขึ้นได้อย่างไรจากอาการเหล่านั้นรู้ตามความจริงเหล่านั้นแล้ ว, ลวจะได้ระงับ ทางกิเลสเสียมาทำในทางที่ดีหันมากล่าวถึงเรื่องการเจริญจิตภาวนานังที่กล่าวมาแล้วสมมติว่ากำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเมื่อรลมสนิทไวแล้วจิตก็สงบเพึงดูความสงบของจิตฝึกให้จิตสงบไว้บ่อยๆไว้มากๆจิตที่ถูกสงบไว้บ่อยๆมากๆนั้น <c oughs> จะค่อยๆเกิดปัญญาโดยอัตโนมัติ มีความเฉลียวฉลาดมีความว่องไวขวาที่จิต ไ, ไม่สงบอีกมากมายเหมือนกับว่าเรามีดินสอที่ยังไม่ได้เหลาขึ้นเลยสิ่งที่สำคัญของดินสอคือมีไส้ข้างในและไส้นั้นก็สามารถอักขีดเขียนทำให้เป็นตัวหนังสือและอ่านออกมีความหมายได้ ต่อเมื่อเราได้เหล่าดินสอแล้วถึงไส้ในไส้ในจึงมีประโยชน์เป็นเอกสารแต่ให้เกิดกุศลอันยิ่งใหญ่ก็ได้ถ้าไม่ดีเป็นทุกข์อันยิ่งใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นใจของเราเป็นประดุจไส้ในของดินสอพึงพยายามรักษาใจของตนเองไว้ให้สะอาดให้มั่นคงให้ปลอดจากโลภะ โทษะโมหะหรืออกุศลอันใดที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ใจส่อาหมองพึงระวังใจของตนในสิ่งนั้นไวจะเพราะอย่างยิ่งใจใจเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ความดียิ่งยืนนานต้องภาวนาโดยบทใดบทหนึ่งเพราะฉะนั้นภาวนาให้มากมากภาวนาบ่อยๆทั้งนี้ใจสงบแล้วก็ทำให้บ่อยๆมากๆเข้าจิตจะเกิดควาชมชานาญในการสงบมากขึ้น และจิตที่มีความสงบบ่อยๆนั้นไม่ใช่เกิดความสงบอย่างเดียวยังจเจริญไปให้ถึงเกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงได้ความรู้แจ้งเห็นจริง <c oughs> จากปัญญาที่มาจากสายสมาธินั่นเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งเป็นปัญญาที่เห็นตัวกิเลส ต, ตัวกองทุกข์และจะได้ทําลายตัวกิเลสกองทุกข์ได้ถ้าหากว่าปัญญา ที่มาจะเพียงแต่การศึกษาเราเรียนทางโลกก็จะเป็นเหตุให้เกิดความชนานาญในประกอบอาชีพในความของบ้านของเรือนในอาชีพของตนเท่านั้นแต่ส่วนกิเลสที่ฝังอยู่ในภายในในของทุกคนในจิตนั้นทางโลกไม่สามารถที่จะมีวิชารู้ได้นอกจากทางธรรมเพราะฉะนั้นโลกกับธรรมจึงก็อยู่ในการการประกอบกิจการงานจึงคู่กันไปกับธรรม มีทำเป็นขันหาญไปทำก็ทำทางโลกก็มีคู่กันไปก็จะทําให้เกิดความผูกต้องดีงาม น, นั้นต่อ น, นี้ไปพึงตั้งใจปล่อยวางอารมณ์ต่างๆทงปวงที่เกิดความ ร, รู้สึกอยู่ในใจนั้นให้ว่างให้เป็นกลางรู้เหลือแต่ว่าขณะนี้เรามีกายกับกิตเราไม่มีภาระหน้าที่อื่นๆรู้ว่ามีกาย คือสรีระร่างกายที่นั่งอยู่นี้รู้ว่ามีจิตคือความนึกคิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้และก็ที่สามก็คือมีสติคอยดูจิตของตนว่ามีกำลังคิดเรื่องกุศลหรืออกุศลถ้าอากุศลใดๆกำลังคิดก็ละเสียเลิกเสียอย่าเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์แล้วตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหาการุณาธิคุณนึกให้มากๆนึกถึงพระพุทธเจ้านึกยิ่งมากเพียงใดบุญย่อมเกิดมากขึ้นเพียงนั้นบุญย่อมเกิดมากขึ้นเพียงใดใจยอมใกล้สงบมากขึ้นเพียงนั้นนึกให้ดีนึกให้ชอบหรือนึกว่าพุทโทรธธรรมโมสังโฆทั้งสามก็ได้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกไว้ในใจหลายๆเที่ยวจนนึกได้อิ่มใจได้มั่นใจดีแล้ว เกลือว่าอย่างเดียวคือพุทโธด้วยความมีสติหรือหายใจเข้าหายใจออกดังในก่าวมาแลเป็นต้นบทใดบทหนึ่งตามถนัดของตนหรือบุคคลที่ได้ประสบพบความส ง, งบมาจากบทใดก็ใช้บทนั้นต่อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงดังนั้นต่อ น, นี้ไปพึงพากระตั้งใจปล่อยวางอารมณ์อื่นทั้งปวงให้ใจสะอาดให้ใจพ่องแผ่ให้ใจเป็นหนึ่งแล้วก็นึกถึงอารมณ์ที่ภาวนา ดังในกามาแล้วรักษาจิตใจของตนให้มีสติคุ้มครองอารมณ์ที่เกิดกับใจอันเป็นกุศล น, นั้นเพื่อจิตมั่นคงตามคำสอนของพระาศาสดาต่อไป